มไม่เบื่อเลยรู้ทวนตอนเช้าตอนเย็นนะเบื่ อ, ะอะนะไรต่อคำสสอนที่เกียดทำตามเห็นเจ็บปากแก่ท้อเพิดเปิดในความคุณทายอทยานยากมีความลับผู้หญิงผู้ชายในหัวใจอันนี้ก็เป็นคำที่ขวางกัน ผู้ปฏิบัติธรรมอย่าให้อันตรายสี่อย่างนี้ย่ำยีได้อย่าให้อันตรายห้าอย่างนี้ย่ำยีได้บ า, า, า ง, งทีมันมาเบื่อหน่ายต่อการทำความเพียรเบื่อหน่ายต่อการทสังสอนนะก็มีเหมืนกันระวังอย่าให้อันตรายห้าอย่างนี้มาย่ำยีจิตใจของตนได้ผู้ทำความเจริญแจกตน อย่ให้นตรายเราเนี่ยมาย่มดีมันมีอะไรเยอะแยะที่มันจะจนมาในกายในใจของเราบางทีมันเอาความเป็นความตายมาให้ด้วยทำให้ร ก, กลัวมันแสดงออก ก, กลัวเลยยกทงขาวเลยออกกระเป๋ากลับบ้านให้มันเติ มานแสดงออกความยากความลำบากอะไรต่างๆยิ่งพวกเราซึ่งเป็นนัก บ, บวชออกบวชจากเรือนให้เกี่ยวข้องโดยเรือน แ, แล้วพระอาชาติโยมที่มาอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นนัก บ, บวชผู้ผู้ไปสู่ความดีผู้หนีจากความชั่วเป็นหัอกเดียวกันเป็นหัอกเดียวกันให้ ให้เห็น อ, อกเข้นใจกันต่างก็สแสดงหาโมกขธรรมเอาเลยเพราะเราก็ช่วยกันอย่าให้เป็นการหนีเสือมาเจอเจระเข้ไม่ใช่มันก็ลำบากเการปฏิวัติธรรมนี่ดูดีๆมันจะแสดงให้เราเห็นหลยอย่าง ความสุขความทุกความโลภความโกรธความร้องกิเลสตัณหาความพอใจความไม่พอใจความวิตกกังวลความยินดีความยินไล่ความขัดเคลืองไม่ได้ดังใจซึ่งพวกเราในมาจากตระกูลต่างๆพอมาอยู่ด้วยกันพระรุ่นโลกรุ่นหลานพวดอะไรตเตือน ก็ไม่พอใจตอที่ของอยู่ของกินก็ไม่ได้ทางใจอย ก, กินร้อนได้กินเย็นอย ก, กินเด่นได้กินร้อนเนี่ยเราบอกไงติอย่าไปอย่าไปพ่ายแพ้เอาเลยพวกเราใจยอมแล้วคนอื่นว่ากล่าวตัดเตือนได้ไม่ถือโทษโกรธเคืงเรามีระเบียบแบบนั้น เขาเรียกว่าพาปวารณาสังคพันเตปวาเลมิตเทนาวาสุเตนาวาพริสังกายยวะวะตันตุบังอายัดสมันโตโอง ป, งปังอุปาทายาแต่ท่านทั้งหลายผู้จเจริญท่านได้ยินข้าพเจ้าได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีว่าทำไม่ดีไม่งามขอให้มีเมตตาว่าก่าวตเตือนข้าพเจ้าด้วย แม้ขณะที่ท่านว่ากล่าวตเตือนข้าเจ้าก็จะไม่ถือโทษโกรเครื่องท่านก็ข้าพระเจ้าก็เช่นกันขอให้ท่านเตือนข้าพระเจ้าด้วยเช่นกันข้าพระเจ้าก็ไม่โกรธไปเครื่องท่านเช่นเดียวกันอันนี้ปรรารนาปีหนึ่งเราปรน า, าครั้งหนึ่งหรือว่าเราได้พูดกันแล้วที่หยุดนั่งอยู่นี่ ในธรรมวินัยเราได้พูดกันแล้วได้พูดกันเป็นสาคัแล้วไม่ได้เกี่ยวไปคิดว่าเออเพิ่งเห็นหน้ากันแต่มาว่าฉันเลยไม่ใช่ตามวินัยเนี่ยผู้ที่เข้ามาโสทำไม่วินัยเนี่ยอันเดียวกันนั่นเราระวังปฏิบัติธรรม มันจะต้องเกิดอะไรต่างๆให้เราเห็นให้เราสู้แล้วเราก็สู้ต่อไปอย่าไปหนีหน้ามันมันจะยกเป็กขนาดไหนมาลองด้วยเมื่อวันหนึ่งหลวงพ่อพูดว่ามันปวดให้มันเหนือปวดมันเหนื่อยให้มันเหนือเหนื่อยมันเบื่อให้มันเหนือเบื่อมันสุกให้มันเหนือสุกมันทุกข์ให้มันเหนือทุกข์ มันกลัวให้มันเหนือกลัวจะไปชนความกลัวความสุขความทุกข์แค่นะั้นให้มันเหนือไปสักหน่อยมันเราทํางานจะให้บ้านเขียนฝ้ายเขียนฝ้ายได้เปียเขียนเต็มเต็มในเราเปียก็พูดว่าขอให้ได้เปียฝ้ายสักสองครั้งก็นอนหรอกขอให้เปียเปียฝ่ายสักสามครั้งก็นอน เขาพยายามเปียร์ทนี้พอเปียรแล้วเขาก็ก่อไว้อีกสักหน่อยเพื่อจะได้เข็นอีกไม่นานจะได้เปียรอีกนั้นแบบมันเปียร์ระก่อบเป็นจ้าฮะเปียรฝ่ายเอาฝ่ายใช้หน้าอีกว่าเปียร์เขาแก๊กเขาแก๊กหลวงพ่อก็เ็ะเป็นได้แน่นอนพุทธาเป็นว่าเปียรฝ่ายเขาแกงเองแกงเองแกงกขาแกงนะคืให้มันเกิดไปสักหน่อย พอมันเปียเราก็วางในเลยไม่ใช่ให้มันเกินก่อไว้เสมอแล้วเราไนะถนาไถงานนี่เสร็จแล้วปดไถเลยควายมันก็มันก็ลูกพอมันจะ็เสร็จมันจะรีบอยากอยากหนีออกจากไถควายตัวนั้นก็จะพยศได้ง่ายแล้เราไถพอมันเสร็จแล้วอยาพึ่งปลดไปให้ไปให้ไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปแลกอีกงานหนึ่งก่อน ไปแรกงานหนึ่งก่อนแล้วก็จะปลดเวลาใดไม่ใช่ไปให้มันออกงานไปให้เราจะปลดไถเราให้มันออกงานไปมันก็เพอ้อใจวิ่งออกไปเลยถ้าทํางั้นมันก็ได้เนื้อใสไปดิ <c oughs> หัดวัวหัดควายพอไถไปไถไปไถไปมันก็อยู่ธรรมดาก็ดันไปธรรมดาดันไปธรรมดารอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วแล้วก็ปลดในกลางกันเลยถ้าควายตัวไหนมันก็ยศ คอยตัวนั่นจะจะไม่ปรพยชน์เลยลขาพ่อเป็นนักหัดตัวหัดควายเตียมล่อเตรียมเกลียนเตรียมฆ่าเตรียมไทยหัดตัวเราก็เหมือนกันความเมื่อยความเมื่อยหยุดทันทีความเบื่อหยุดทันทีความทุกข์หยุดยอก ท, ทันทีความสุขเอาทันที กลัวนี้ทันทีไม่ใช่ให้มันเกินไปเากหน่อยมันจะพยศเหมือนกันนะเราแต่ไมเป็น็พราะพยศเปาะบางเปาะบางมัอนกานกระโวกรค่ายมัดขม้าม้าตัวไหนมันพยศมันก็หัดขมามันพยศที่ไรมันก็ได้ที่ได้ท่าหอนพอจะขึลื่อนชี พอจะขึ้นขี่หลังที่มันก็โดดโหลดเต็มกระโดดโหลดเต็มไม่ให้เราขึ้นขี่หลังมันก็ขึ้นมันไม่ได้ทักทีมันก็เลยได้ได้ใจเราต้องพยายามขึ้นขี่หลังให้มันได้แต่มันพยศทีไรเอาไม่อยู่เอามันไม่ได้มันก็ปอยู่นั่นนะความสุขความทุกข์อะไรที่มันเกิดขึ้นกับเรา อยาให้มันใหญ่โตจนจนเราไปชนมันจนมันเคชนกำแพงชนหน้าผาข้ามไปแล้วการปฏิบัติทำมันมักแก้ข้ามได้ข้ามพ้นได้ข้ามพ้นความปวดความเมื่อยข้ามได้จริงๆข้ามพ้นความเกิดความแก่ความเจ็บ ค, ความตายข้ามได้จริงๆข้ามพ้นความสุขความทุกข์ก็ข้ามได้จริงๆ ก็นะเราหัดข้ามอยู่แล้วมันมาทีได้ก็ข้ามมันไปภาษาที่เราพ่อพูดเห็นมันปวดข้ามแล้วไม่ได้ก้าวแบบเรากระโดดเจ้นะเป็นผู้ปวดนี่ไม่ได้ข้ามเลยเห็นมันปวดข้ามได้แล้วเห็นมันผิดเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เห็นมันเบือ่อ <c oughs> เห็นมันขยับเห็นมันรู้เห็นมันไม่รู้รู้ข้ามแล้วเหนือแล้วเหนือเหนือรู้เหนือไม่รู้เหนือสุขเหนือทุกข์เหนือกลัวเหนือกลา้าต้องหัดตัวเองพอทําไปทําไปพอเบื่อพอพหยุดทันทีนอนให้ความขยนาามันผาทําให้ความเบื่อพลายหยุดอย่าให้มันนํา ความเบื่อก็ดีความขยันก็เลเราจะหยุดแบบผู้ที่ไม่สติเราจะทำแบบผู้มีสติมันมีมันมีหลักอยู่หรอกผมรู้สึกตัวหน่มันมีหลักอยู่จริงๆมันเด่นอยู่มาหาตัวนี่รู้สึกตัวรู้สึกตัวนะกานหัดตัวเองนี่ยมันก็มันก็สู้เหมือนกันถ้าหัดเ็นถ้าหัดไม่เป็ น, นก็ไม่สู้ มันรอหัดไก่ชนถ้าไปชนกับไก่ตัวเล็กๆก่อนจะไปชนตัวที่มันเสมอกันเอาไปชนกับตัวเล็กชนเตะสองสามทีวิ่งหนีวิ่ไล่ผมตัวเ็เป๋อไปชนดีตัวที่สองอีกตัวเล็กกว่าก็ไไล่ตีสองสามทีเตะสองสามทีตัวสู้ไปเลยก็วิ่งหนีชนสองตัวสี่ตัว จึงไปเจอของกิ่งไปนะพอเจอของกิ่งมันไม่ยอมหนีเพราะมันเคยชนะมามันก็สู้มันก็สู้มันไม่ยอมการฝึกไก่ชนเขาก็ฝึกกันนะการฝึกม้าแข่งเขาก็ฝึกแบบนั้นแข่งกับมา ก, กับจอนซะก่อนแ ล, แล้วเขาวิ่งจังเงย่องเงยจัยงเ ง, องพอตัวเด็วิ่งโอ้ยผ่านเลยเอาลูกเตะเตะเตะ คนก็ชยโยจับตมาหาหม่ให้พวงมาลัยให้พวงมาลัยให้น้ำหอมโลกหัวโลกหน้าโอ้บลกล้อบล็อกมันได้ใจมัอนกันมามัก็ได้ใจเหมือนว่าจันงัวอะไรงัวจันโคศัตรูอะไรแต่ไม่ได้นะมันทวีสัรว์มันทวีสัต นันทวิสานโคนันทวิสารเจ้าของไปพ น, นันจะบรรทุกเหลือล้อยเล็บเกวียนล้อยเล่มโ ค, น, มคนันทวิสารเนี่ยเคยทุกเกวียนล้อยเล่มมาแล้วพอไปพ น, นันกันจริงๆเขาก็ไม่เชื่อว่าโคนันทวิสานเนี่ยจะบรรทุกเกวียนถึงล้อยเล็บเลยก็พนันกับเจ้าของโคนันทวิสาร พอดีก็เปลี่ยนมาเทียมไปพอเอาโคโนันทวิษณ์เข้าเทียมเปียนเจ้าของก็เอาไปบัตรเคาไอ้ให้ิมามึงต้องไปมึงไม่ไปมึงตายแล้ะจับไปเร็วตายหรือบ่บโคโนนทวิษณ์ไม่สู้เลยไม่ตันเลยเสียใจก็เขาก็ชนะ แต่ว่าโคนันทวิีุ่ทุืน้ำตาไหลย่าก็ไม่กินสองสารเจ้าของก็ต้องเสียเงินทองมาต่อมาโคนันทวิสารก็พยายามจะให้เจ้าของเอาไปแข่งในสูก็เลยได้แข่งได้พนันอีกแต่ว่าเจ้าของพูดใหม่กว่าลูกข้อเจ้าจงดันเปลี่ยนร้อยเล่ม ไปเถอะลูกช่วยพ่อช่วยพ่อพ่อลําบากแล้วพ่อจนแล้วขอให้ลูกจงช่วยพ่อเด็กเขาข้างในไปเถิดลูกไปเถิดลูกพอนั้นทีสามดันเนลลปลียนรลอยเลินไปลุยนเดยได้เงินมากกว่าเกาพราะเขาหวังจะเอาอีกครั้างที่สองให้รวยต่อเป็นต่อเป็นลอยเอาของหมดลองเอ้าลอยหนึ่ง เขาจะให้ห้าร้อยอร้อยหนึ่งต่อห้าร้อยแล้อดรวยด้ว่นะเนี่ยควายมันก็ยังวัว ม, มั้ก็ยมีมีพระสอนมันเป็นมันก็สู้กนกันาการสอนตัว่างเนี่ยพยายามอย่ า, อ, ยาอ่อนแอนะอย่าอ่อนแออย่าวนไวอย่าขี้ขลาดไม่เป็นไร อ่า so, ดูมันไปมันจะแสดงอะไรออกมาให้เราเห็นก็ดูไปโลมันบ้างทิ่งมันบ้างสนใจมันบ้างทิ่งมันบ้างเอาไว้นี่อ่าเราจะรล้เสีย ก, ก่อนตอนไหนเธอจะเป็นเลไร่อยเธอเป็นบางทีุดแตตยงมันไต่ไปนั่งอยู่กลางทุ่งไปสอนทำที่ทอำเภอหนองสองหง้อง เรไปน้องอยู่กลางทุ่งมันมีล่มไม้มดแดงมันไตไอจะไล่แต่แตมดแดงกันนะพอมันใตขึ้นมาก็จับมดแดงออกอสร้างจังหวะจับมดแดงออกอมีวิธีสร้างจังหวะจับมดแดงกันนะได้ไหมคาาุป <c> ร <oughs> ะสารจังหวะจับมดแดงจังหวะไล่ยยงก็มีนะ พอโยมมัก็จังหวัดไล่โยมตามไปตามไปใช่ไจังหวะไล่แมงวันไล่แมงวีใช่ไหมพยายามเราจะมาไล่แต่มดแดงอย่างไงมันจะเป็นยังไงพราะมันไต่ขึ้นมาเราก็มันไต่ลงไปถือว่ามันก็ถือว่าเราก็ถือว่าต้นไม้ต้นหนึ่งนรือมต้นไม้มันก็ไม่เห็นไล่มดแดงอะไรดอกเรามันใจขี้เลวกว่าต้นไม้เลย ปัตสามวัดแดงตัวเลกแค่นี้เขาให้เขาไต่บ้างไม่ได้เลยไปคิดแบบนี้นะว่าให้เขาไต่ไปแต่เมื่อกี้เขามากัดคอเจ็บบ้างเอ้าเก็บนิดหน่อยวันเป็นไรนะถ้ามันกัดลงดูกัดตรงนั้นบ้างกัดตรงนี้นบ้างไปทาไปสร้างไปว่าไปพล้วมันมากัดหัวนมเนีวโอ้เก็บมากเลยให้แก้วนะเอากัดหัวนมแนวจับพัดแดงออกกัดที่ื่นไม่คเคยเจ็บนะ แต่ว่าต้องสร้างจังหวะไล่มันนะเออบางทีมันปวดแ้วมันไต่ขึ้นมาทําปฏิบัติทำใหม่ๆมังก็มันไต่ขึ้นมาต้นคอตัวไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาขึ้นมาหลังหูขึ้นมาข้ามบนหัวหูมันก็มาปวดตรงหัวนั่นปวดนะเออมันไต่มาทุกครั้งก็เอามือมาลูบหัวเมันปิแต่เรามามาลูบอ้าปวดไปปวดไปเอ้าไม่ต้องลูบมันสนใจเรื่องนี้มันไม่ต้องมาลูบที่หัวอ้ามันจะปวดก็มันปวดไป กระชอนก็ลาไปเอาไปเอามามันก็หายไปไหนก็ไม่รู้แต่ก่อนมือมันปวดที่อะไโอ้ยมือมันตกหัวก็อนตัตับตับตับตับตตัตตตับยาหมอกมาทาบ้างน่นนู่นนี่้างเออก็ลองทับเลยไม่ต้องหมอสาวมันว่ามปวดลงไปต่างกันอ้าวมันก็หายได้เหมือนกันเออบางทีมันก็มีมายาศาสไทยเหมันกันในชีวิตร่างกายของเรา มันเป็นตัวหลอกตัวหลงจริงๆมันโลกแห่งความหลงจนเขาพูดว่าผีหลอกไปกลัวคนหลอกไปกลัวกลัวแต่ตัวเองหลอกตัวเองนี่แน่นอนที่สุดแล้วระวังพยายามดูให้มันเห็นก้นบึ้งมันนู่นนะปฏิบัติธรรมมันจะแสดงอะไรออกมานะดูมันะนมันหัวเราะเยาะมันนะ บาเอ๊ะไหนยะนี้มาโอ้ยบาเอ๊ะว่าจะแอ้วนี่มันก็จะโกรธเลยบาดเอะเลยเขาพูดแค่นี้ก็โกรธเลยบาดเอ๊ะแค่นี้ก็โกรธมันทำอะไรได้บาดเลยทำท่าเล่นกับตัวเองมันจะทุกข์หรอเห็นเท่านี้ก็จะยินดีไปแล้วหรือชอบแล้วหรือเห็นแค่นี้ก็ไม่ชอบแล้วหรอ ไปแล้วเลยหลุดไปไหนแล้วไปอยู่กับความรักหรือไปอยู่กับความชังหรือดา่าตัวเองว่าโลดสึกตัวโูดสึกตัวนะมันก็สะดุกนะปฏิบัติธรรมมันเห็นของจริงนะทําไมจะไม่สนุกมันดีกว่าไปดูหนังดูละครเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตน อันนี้ลึกซึ้งที่สุดเลยมาเห็นความไม่เที่ยงเห็นควา ม, มเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตวนโอ้โหรู้สึกว่าในโลกนี้มันยอ่อลงเท่านี้กํามือเดียวเอาความไม่เที่ยงเอาควา ม, มเป็นทุกข์เอาความไม่ใช่ตัวตวนไปกําหนดไปฉเฉลยได้ทุกเรื่องเช่นเราโกรธ เอาไปที่งลงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนหายวับทันทีแล้กิเลสตัณหาของมันกันเอาไปเที่ยงลงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนโห้ยสนุกทิ่งเห็นเรื่องเดียวปฏิบัติทำนะจนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าผู้ใ ด, ดเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนเอียงไปไหลไปสู่มรรคสู่ผล เลยทีเดียวว่าแต่ให้เห็นชัดๆนะความโกรธความทุกข์ความลักความชางังความปวดความเมื่อยความเจ็บให้ได้ป่วยแม้แต่การตายในตัวนอกตัวถ้าจะเป็นขยะก็เป็นขยะเอาไปทิ้งในชีวิตเราเนี่ยถ้าไปทิ้งลงตรงนี้เกลี้ยงไม่มีขยะไม่มีร่องรอย เป็นชีวิต ท, ที่เกลี้ยงเกา่าอ่ปฏิบัติทรมันเห็นของจริงนะไม่ได้หลอกกันนะเราก็เห็นเราเองนะั่นแหละปฏิบัติเองเป็นปัจจจตังรูปเองเห็นเองบางทีก็เห็นเหมือนกันบางทีก็เห็นไม่เหมือนกันก็อย่าไปแปลกใจอะไรบางทีเขาเห็นรูปเป็นนามเราไม่เห็นรูปเป็นนามก็อย่าไปแปลกใจอะไร บางทีก็เห็นพลังวัะปัปะทวกันเราไม่ได้เห็นหหก็ไม่แปลกใจเลยว่าแต่เรามีสติถูกถ้าเรามีสติดูไปเลืเล่อยอะไรที่มันจะเกิดขึ้นบางทีมันจะเห็นเมื่อมันเป็นแล้วจึงเคเห็นมีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้ก็ไม่บางคนก็หาความรู้รู้โน่นรู้นี่ไปเต้นไปกับความรูก้กับอะไรอะไรต่างๆน่น อย่าไปตื่นเต้นอะไร ย, ย, ยอย่าหวั่นไว้ไปเรืเ่อยๆเขาเรียกว่าหนึ่งไห้อย่าหย่อนอย่าตึงให้มันนึ่งๆพอดีๆวดีมันเราไทยหนาะควายตัวใดที่มันไปนึ่งๆโวยเดินตามคนมันหลับไปเลยแต่บางควายบางตัวววดไปบาทีก็ช้าบางที ก, วทกว็ววดไปอันนั้นไม่ดี ชีวิตของเราผ่ามาต้องหัดพอต้องฝนนะ้องฝึกหัดตัดแปลนะบางทีมันก็แสดงอะไรจนหลายอย่างสมัยก่อนหลวงพ่อเป็นหมอไล่ผีแต่ถ้ากลัวเราก็ไปก็สู้ผีไม่ได้ไปเอาผีคนเป็นบ้าคนอยู่อำเภอคอนสวรรค์ แล้วตัวมันล่ะบอกมาเอาหมอหลวงพ่อไปเอาหมอไหนมารักษาเราก็ได้ไงแต่มาบมอลมบอกว่าให้ไปเอาหมอหมอทำคือหลวงพ่อนะครับอาจารย์คงไปพอไปแล้วก็มันก็สงบพ่อแม่พี่น้องของมอกให้หมอหลวงพอ่อก็เอามาพอมาถึงบ้าน มันก็มันก็มาบิดท่องตัวเองแล้วก็อาจารย์ครับอาจารย์เขาคนนั้นเขาซื้อทวนผีอาจารย์ดวงบิดตับบกทวนได้แล้วบิดตัวเองอยู่เนี่นะนั่งหลังกดของจอง้องอาจารย์วมบิดตับบกทวนได้แล้วอาอาจารย์สีห่อมบ่นนะคันบอย่อมมันเอาบบกทวนไปแล้วมันเสีตายแล้วนีย ก็บิดตับตัวเองก็บิดัวโาะว่ามันจะยอมไหมยอมไหมยอมไหมอาจารย์จะยอมไหมเนี่ยรู้จักไหมรู้จักจานย์ร่วงไหมเนี่ยอะไรนะจารยวงมันจะเอาบิดตับปกท่วนไปแล้วเดี๋ยวปกทวนจะตายเราเนี่ถ้าไปยอมจะทํำยังไงเมื่อไปทำงาน น, นั่งหลังกดของจ้องอ่ ะ, อะคนประสานจะทํำยังไงถ้าเป็นคนประสานคนประชานจะว่าไงเขาจสแดงออกยิงนะ จะยอมให้อาจารย์อาจารย์จะยอมไหมเนี่ยถ้าไม่ยอมมันจะเอาบททวนไปด้วยเนี่ยนะอ่าก็เราเปล่อๆกันเลยเพราอ่าเอมึงเก่งมึงก็เอาไปเลยเอามึงเก่งมึงก็เอาไปเลยเพราะว่านะครับปั๊บหล่มลงนอนแอ่งแม่งเลยไปให้หลานชายมาด้วยคนหนึ่งห้องไห้เลยโอ๊ยนะเบาเอ้ยจะไมา่ตายใส่บ่ะที่เหนพนอนาะ เราจะมาตายใช่ไหมโอ้โมาตายซะงียนใช่ไหมแต่เป็นไงไปเราเป็นไงะความรู้สึกของเราเป็นไงหวั่นไหวไหมหวั่นไหวไหมเราไม่หวั่นไหวเราก็ลูกหลวงพ่อก็นั่งดูมันเฉยๆมันก็นอนอยู่ข้างหน้ามันก็นั่งแต่สมัยก่อนมันไม่มีไฟฟ้ามันก็อยู่ตะเกียงมืดๆ แล้ก็เกากระดานอาจารย์ย่านพีรรออกบกทวนเพราะอาจารย์เกาแฟ้นก็นอนอยู่นะมันเกาแป้นเพราะทวนตายแล้วพีรรออกมันพีรรออกมันเกาแป้นเพราอยเงี้ยอีกไม่นานมันก็ลุกมองงองไปงานกันมานห้มันแบบนั้นนะมันมันมันมายาสาไถ ถ้าเรากลัวเราโอ้ยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเราเนี่ยแล้วอันนั้นเขาเรียกว่าผี <c oughs> ผีเราไม่กลัวเราไม่ได้กลัวเราไม่ได้เป็นอะไรเราทําดีเรามีเมตตากรุณาไม่ได้ไปข่มเหงรังแกใครมีแต่แผ่เมตตาเขาให้เป็นสุข เ, เป็นสุขแต่เพสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทษเคยเจ็บเจ็บตาย ตัวนี้ดีที่สุดไปไหนก็ไปเถอะอเวลาอภัยประชาอาเนคาสุโขสุ ข, สขีอัตนัะปิหารันตแตแสเมตตาเนี่ยเรามีความเป็นธรรมที่สุดแล้วเราไม่ได้ไปฆ่าไปแจงเราไม่ได้ไปคมแหงลังแกใครใครลังแกกันก็ขอให้อยู่เย็นเป็นศูนย์ยาเปลียนเปลี่ยนกั น, <c oughs> นการกระทํำของเรามันบริสุทธิ์แล้วเราไม่บกคล้องตรงไหนเพราะเราก็รู้แจใจของเราเอง เราไปคมแข่งลังแกไปเขาบ้านพขาเมืองเขาก็าอีกเรื่องอันนี้เราไปไหนเราก็ไปดๆไปไหนก็ไปช่วยไอ้คนไม่มีทุกข์คนใดเมียเปีย น, นกันก็เลิกเล่ากันไปแส่เมตตาไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสติเนี่ยเป็นของตีแล้วอะไรที่มันจะเกิดขึ้นกระดูมันลูส่สกตัวอย่าวั่นไหวอย่ากระโดดโลดเต้นอย่า ปวดเปียก <c oughs> อย่าตื่นเต้นบาดีมันตกหล่งของความสุขก็ขจะไปยิ้มตลอดเวลาไปพูดนะครับเอ้อผมมมีทุกข์แล้วผมหมดชิ้นเล่นแล้วก็อย่ากคิ่งไปพูด <c oughs> ให้มันเป็นยังไงก็ให้มันแสดงดูว่าเธอสุขหรือเห็นมันสุขเธอทุกข์หรือเห็นมันทุกข์เธอหลงเห็นมันหลงเธอปวดเธอเมื่อยเธอเบื่อเธอ อะไรก็เห็นโอ้ยสบายสบายปฏิบัติทำมันไปของมันเอง <c oughs> ความถูกก็ไปความถูกความผิดมันก็พ่ายไปพ่ายไปลีกทางไปตะพึตดตะพื้แจ้ารู้สึกตัวรู้สึกตัวนะฮะนี่จะหวนไหวอะไรพวกเราเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นก้าจะหวนไว้ ั่วเจ็ดทีดีเจ็ดนนในชีวิตเราคนอื่นก็เหมือนกันเหตุ อ, อกเิตใจนิดนิดได้หน่อยก็ออกมันก็ดีได้เราก็ทุกข์บ้างอาจจะไม่ทุกข์ด้วยเอาหลงบ้างอาจจะไม่หลงบางทีปฏิบัติทมดีไปดีไปหมดจิเลกพอมันเกิดจิเลศ ข, ขึ้นมาใหม่โอ้ยเสียใจ <c oughs> ในพระพระธรรมผง อาจารย์ผมปฏิบัติธรร ม, มานี่แปกปีผมนึกว่าผมหมดกิเลสแล้ววันนี้มันทาไมจึงเกิดขึ้นมาอีกเสียอกเสียใจผอกายนีไปตกไหลโอ้ไม่ได้หมาเห่าช้างกิเลสเหมือนหมาสติเหมือนช้างวันไว้อะไรมันเห่าหรือนะมันเกิดอะไรขึ้นวันไหวเลยแช่เนี่ย เห็นไหมเห็นหมาห่าช่างไหมมันกลัวอะไรไหมหมาช่างมันไม่กลัวหรอกหรือช่างวิ่งหนีเลยโอยมันก็โง่แล้วนะสติตัวนี้เหมือนช่างกิเลสสะธรรมทั้งหลายเหมือนหมาตัวหนึ่งก็จอกก็แจ๊กเขาก็แสดงเขาไปตามธรรมดาแล้ว่ามันห่าเนี่ยแดงว่ามันไม่สู้แล้วมันไม่สู้แล้วเดินไปได้สบาย โบราณทาาหมาตัวไหนมันเหา่าหรือมันไม่กันเพราะถ้ามันเกิดกิเลสมันก็ดีแล้วถ้าหมามันเหา่าเราก็เห็นหมาตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปดูตัวไหนมันก็หอยนะเดินไปถ้ามันแสดงออกมาดีแล้วเราจะได้เห็นมันเออมันอยู่นี่ก็มีเลยเนี่ยความโกรธอะกิเลสมันเกิดแบบนี้ก็มีหรืออืมนี่ ความทุกข์ความสุขก็เกิดมาแบบนี้ก็ไม่หรือความสุขของคนดื่นเป็นความทุกข์ของเราก็ไม่หลือความทุกข์ของเราเป็นความสุขของคนดื่นก็ไม่หลือความสุขทุกข์ของเราความสุขของคนดื่นก็ไม่เออมันก็อย่างนี้เนาอโลกนี่เอืะเราก็ดูไปบางทีเราก็ไปหาความสุขจากคนดื่นบางทีคนดื่นก็มาความสุขจากเราหาความสุขบนหลังของคนอื่น ก็มีมันครับแล้วก็ดูไป <c oughs> เดี๋แล้วกําลังเดินบินทบัติเรากําลังมีสติกําลังสํารวมดี อ, อ้าวเพื่อนบินทบัติด้วยกันเอาโผดโน่นพูดนี่เล่นตลก <c oughs> แวะเก็บผักพักกัดยาบินทบัติผ่านป่าพักกัญญาเอาแวะเก็บเก็บเราก็กินนี่กินแบบนี้กินแบบนี้ เ, ออเขาทำกันอย่างนี้เนอ้เอเรปวดเขาก็ชูให้เลยนี่ต้องปิด่มาต้องกินแบบนี้กินผักแบบนี่ เ, ออ เ, ออเราก็ทำไม่เหมือนเขาเราก็ไม่เราไม่ทำเหมือนเขาโอ้เพื่อนเรามันหลงนนองเราก็ไม่ต้องไปแสดงปะ น, นันเราเก็บไปเก็บไปไม่ต้องแสดงท่ากินอะไรโหยกันหลงเนาะเพื่อนเราหลงเนาะเพื่อนเราหลงนนอง เราไม่หลงนุ้กก็ดีเลยบ่แล้วไปโกรธเพื่อนหรอือเวลาเพื่อนเรืนน่องน่ะโอ้ไม่อยไม่ไปเพขาไม่เราไม่เอาไม่เอาไม่คบอีกแล้วไม่ใช่แล้วก็กลายเป็นความสงสารโอ้เพื่อนเราหลงเพื่อนเราหลงเราก็หาวิธีเลยบ่เมื่อเพื่อนพูดสามคำสี่คำเราก็ไม่พูดเราก็ค่อยพูดเออนายน้องเอาไปมาเพื่อนเราก็สงบลงเพื่อนเราก็สงบลง ก็กลายเป็นเป็นเรื่องดีแทนที่เราจะวันไหวเราไม่ชอบเราก็เกิดเป็นปกติได้ในโอกาสที่มันจะผิดปกติเราสร้างความปกติได้ทุกสถานการณ์นั่นแหละมันใจเก่งที่ใดไม่ปกติเราสร้างาให้มันเกิดปกติขึ้นมานัา่นแหละถือว่าปฏิบัติถือว่าบทเรียนที่มีค่า บทเรียนที่มีค่าเป็นข้อสอบที่ต้องแสดงให้ได้เฉลยให้ได้นะปฏิบัติทำนะอย่าไปหวั่น ไ, วไหวอะไรง่ายๆอย่าไปใจน้อยอย่าไปใจอ่อนอย่าไปอะไรอ่อนนะ ถ้าจะพูดเร้วนะพวกเราก็น่าสงสารกันนะนกก็มีคนเดียวหัวเดียวมาโฟนหมู่มาจากญี่ปุ่นเป็นผู้หญิงสาวก็มาอยู่กับเราคนสะอาดก็มาจากปุริลำลาออกจากเป็นพยาบาลโลกเต่าเหล่าก็เป็นห่วงที่ไม่อยากให้มาก็มาอยู่กับเรามาจากระยองมาจากชายภูมิมาจาก กรุงเทพมาจากโนนกาลสินมาจากสมุทรปราการมาจากภาคใต้ภาคเหนืออบวชใหม่ที่สุดก็มาจากแจงคอยที่เราเห็นอกเห็นใจกันหลวงพ่อคือว่าเป็นเจ้าถิ่นเป็นเจ้าถิ่นที่อยู่ที่นี่ลูกหมดที่นี่ตอนไหนต้นไหนอยู่ตรงไหนลูกหมด ทางเส้นไหนกติทางไหนมันซึ่มซับคอมพิวเตอร์มันมันโล่หมดพราเยเออไถ้าคิดดูแล้วพวกเราน่าสงสารน่าสงสารกันมันโกรธกันไม่ลงมันเตียดกันไม่ลงนม่แต่คิดจะช่วยหรือกั น, นคิดีะดีไงใครที่ ไม่ทุกข์คอยพ้นจากทุกข์คลยที่มีสุขคอยไม่สมยิ่งขึ้นไปอะไรเช่นนะั้นอันนี้ก็สร้างสิ่งแวดล้อมให้ใจอตัวเองสิ่งแวดล้อมแบบนี้ก็ทําให้บรรลุธรรมได้ไม่ใช่คิดกระตุกกระตะัไม่ใช่คิดคิดก็คิดมันเป็นด้วยพระเจ้าอย่างสอนเลยพุทธานุสติคิดถึงพระบุตรเจา้าธรรมานุสติคิดถึงพระธรรมสังขานุสติคิดถึงพระสงฆ์ศีลานุสติคิดถึงศีลของตน ยาคานุสติคิดถึงผลบุญผลทานของตนจนถึงมรณนุสติคิดถึงความตายที่จะมาต่อตนเราอยู่ตรงไหนเราจะต้องไปตายเกิดมาตายปีๆเลยมันก้าวมาหาเราเรื่อยๆเราจะอยู่ยังไงลุกขึ้นมาพอมอรณานุสติโอโอเจ้ามาเห็นตัวนี้ขยั้มมันเพียนเลย ความเพียรเป็นจิตที่ต้องทำวันนี้ความตายมันไม่บอกว่าพรุ่งนี้แต่ว่าความเพียรเป็นจิตที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้ไม่มีใครรู้เราต้องเพียรประกอบมีสติมีสมัญญนะรู้สึกตัวให้มันมีฝีมือซะหน่อยอะไรมาแจวเด้อเดีเดีแล้ว ใช้ก็จะได้อะรุ่ยมันเลยเอาเป็นผู้เถ่าเพื่อกันหลวงพ่อก็เถ่าเติบแล้วเถ่าร้ายแล้วเห็นใจกันผู้นมก็เห็นใจผู้เถ่าในเด้อผู้เถ่าก็เห็นใจผู้นมนะสิว่าเพื่อจะของเป็นพุ้ธเถ่าไปสิไปเขาผู้นมเป็นคือเฮ้าเขาก็เป็นบ่ได้ผู้นมเสียผู้เถ่าคือเขามันก็เป็นไปบ่ได้เดียวให้มันได้ตั้งใจมันกิดบ่ได้นะ มันมาหลายงัที่ลอยกันไปซอยเหลือกันไปแล้วพ่อยังเห็น <c oughs> คุณแม่ของจางคำผลเดินจากกตีแล้วนั้นน่ะจางคำผลมาถึงธรรวัดนีเน่นั่งหยุดสามครั้งจึงมาถึงคนที่พามาค่อยนั่งด้วยนั่งแล้วก็ ลุกขึ้นไปคนที่พามาก่อนลูกค่อยเดินไปเอาไปนั่งอีกลงจากนี่ก็ไปนั่งต้นกระท่อนเนี่ยเราเดินจากต้นกระทร่อนก็ไปนั่งต้นกระทร่อนต้นนั่งเดินจากท่อนต้นก็ไปนั่งกัดกติกคนสะอาดแม่สะอาดเดินจากกติกแม่สะอาดก็ไปถึงกติกสามครั้งนี่ถ้าเราปานนั่นเขายังสู้นะ สามครั้งเดินจากกติจันพกับลมาเนี่ยเราเนี่ยยัง6 3สอบต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้ฮึดสู้ภาษาอีสานหลอดฮึดสู้จาวันไวอะไรง่ายๆนะอ่อ่าก็พ อ, พอสมควรใช้เวลากับพะพ่อก็ ระหิสัมมาัทาปะน